เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาสิ่ไให้ส่วนสินแล้วก็ทรงสีลนได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในสินไม่ทำให้สิ่ขาดสิ้นด่างสินพร้อยเป็นอนวุวาเป็นผู้ทรงสินบริสุทธิ์เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานความสุขก็เกิดขึ้นกับตน ในาะดับต่อไปองค์สมเด็จพระเทสศพลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรมฐานทำว่้จาคานุสติกรรมฐ า, า, า, า, านก็ได้กการคิดะบริจากทรัพย์สินหรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนสาธารณชนตอนนี้สิ่งก็ดีการ ปฏิบัติใจกคางนุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคุมคือกรรมฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดหยุดเสมอนั่นก็คือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสีนี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหารสี่ไม่ทรงตัว อารมณ์ไม่มั่นคงในพมีหารสี่ก็ <c oughs> รักษาสินใะห้บริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้เพราะว่าพ ม, มีหารสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารโมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อยุช้าด้วยสีาเขาพรยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี อมเบกขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกดของกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลพวกเพี่ยนพรำมีความทุกข์ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งถึงไปนี่ประมหาหาบุพิจจะทรงเห็นได้ว่าก็มีฐานสี่เป็นหลักใหญ่ในการทรงเหลนในจากานุสติกรรมฐาน อยู่อยู่จะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทําประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกําลังใจเตรียมไม่ได้บริหารสี่ประการโดยเฉพาะอย่างนี้เมตตากรุณามโมทตตาสามประการแล้วเบิขาก็มีความสําคัญเพื่อจะคานุสติกรรมฐานในข้อ น, นี้องค์สมเด็จสมมหาโมนีต้องแนะนําให้ให้ให้หมด ทำมาหมดไม่ใช่มาที่ว่าหมดของคือไม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคล น, นั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกเขาตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งฟันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการส่งเคราะห์เต็มใจให้ให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระมหาบุพิตร ทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะคตดเดียวสามารถปณิพันธ์ได้อันข้อ น, นี้จะมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพุทธโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้อย่างไงและถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะคสย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้ เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาคะเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไวอันนี้ถือว่ากาลังใจยังต่ายังมีจิตดึงเท่าที่ทรงวินิจฉัยว่นะั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการ แล้ข้อต่อไปตัดธรรมเสียออกไปเหลือแต่สละที่ทรงวิจารมาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าลองใช้คาว่าตัดธรรมเสียออกใช้ครรมสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรมได้ถ้ายังใช้ครรมเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียว คำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมุทเฉต็จประารไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีใสกำลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมดอันดับแรกก็ละเล็กคือละวะัตถุต่อไปก็ละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดี ในด้านโลภีวิสัยแรือกามาวจรต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ชาญเป็นผมได้เมื่อทรงความเป็นชาญได้ก็ละต่อไปคือละสังโยชน์สิบการคือสกาญาติทิการเห็นว่าแต่ภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันห้า ละความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าละอารมณ์ที่เข้ามาทำลายสิลงละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามอารมณ์ละความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมั่นถือมั่นในรูปฌานแล้ในรูปฌานและรูปฌาน ถือว่ารูปฌานแล้รูปฌานเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอลารมณ์ฟุ้งซ่านละฉั้นทะกับมาพราอประทานภายัยละฉั้นทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพุทธโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ค้นจิตเพื่อพระนิพพาน นี่คำว่าละที่พระมหาบพิตพระราชาสมภารทรงวินิจฉัย ม, มาเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมากอาจะมาจึงมขอรพระเจ้าทานนำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปและพระมหาบพิตก็ทรงอนุ ญ, ญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากามนาที่คุณยิ่งใหญ่ ีอาตมาก็ต้องจดและก็จำไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่มันดาแทนบริษัทและเป็นประโยชน์กาบอาตมามาก <c oughs> นี่เป็นอนันว่าจาระจะทรงอยู่ได้ค็เพราะอาศัยพรมิหารสีพรมิหารสีคุมศีล ค, คุมจาระและตอบมาองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติ พิจารณาไข้ควรและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมาฐานในเทวตานุสตินี้มีธรรมโดยสมัยการคือฮิริและอุตั ป, ปะฮิริอายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเข้าค่อยหลบความชั่วตลอดเวลา ทั้งในที่รับและในที่แข้งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสนไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วกับความอายเรื่การีสองอตตปะมีความหวัดหวันขั้นข้ามเกรงอันต ร, รายที่จะเกิดจากความชั่วหลบจุดเสมอหนีเสม อ, สมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมาก นิองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนไหนก็เชื่อแล้วให้เชื่อในด้านความดีนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนับถือถ้อยคำคาสอนขององสมเด็จพระจินทรสีในข้อนี้ทั้งหมด ตามที่องค์สมเด็จพระปรเมนสุขทรงแนะนำผลที่จะพึงได้มีอะไรบ้างคนที่จะพิจรารณาถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำนี่อจะมาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ อ, อย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณนชน ถ้ามาเชื่อต่ำเชื่ อ, อยางกลางแล้วก็เชื่ อ, อยางสูงก็เป็นพระโสดาบันที่เชื่ อ, อยางต่ำก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทำอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมแระสงฆ์ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอมเกรงกลัวความชั่วอายความชั่วก็เกรงว่าชบ้านเขาจะว่าเอา ถ้าอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทําอย่างนั้นเราก็จําจะต้องทําตามเรียกว่าทําเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนักกําลังใจไม่เต็มเตี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธารณชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกถ้าเชื่ออย่างกัญญาณชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปัญกลางดีขึ้นมาหน่อย ทำใจให้ทรงตัวู่วนอำนาจพุทธานุสติธรมานุสติสังคานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะาเป็นปกติมีหิริโลตะปาเป็นใบจำได้กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นไม่กันแต่ยังไม่มั่นที่สุดอย่างนี้เป็นกนญญาในชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้ ถ้าไว้สายอย่างต่ําก็เกิดเป็นเทวดายังดีเก่ดเป็นพรมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆถือว่ากดทั้งหกประการนี้จําเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสรณะนะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าอย่าปล่อยให้สรณ ะ, ะทั้งหกประการนี้สลายตัวไปคําว่าสรณ ะ, ะถือเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่ง องคิดเป็นเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะิยาใดที่อ ง, งสมเด็จพระจอมไตรปิมกศาสานาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาของอ ง, งสมเด็จพระบทิตแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ต า, ามจะพยายามทําที่สุดเท่าที่จะพึงทําได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิต จะไม่ยอมคลิกลายความดีนั่นแม้แบบตัวจะตายเพื่อทําคําสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะส่งความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทําความชั่วที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามถึงแม้ว่าใครจะบังคับเราท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะค่ายตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่ม นี่เป็นเริการที่สองบราการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายนี่จะมาจํากัดลงไปในคําว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ท่านหลายคําว่าพระสงฆ์ท่านหลายความจริงคําว่าพระแปลว่าประเสรศิฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่ค่ยประเสรศิฐนักก็มี ที่ปฏิบัติตัวผู้ยี่ผู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหารมพิธจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกมันได้ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสรัสดธรรมทีนาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตร เว้นข้อที่ทรงห้ามประพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนำให้ทําตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติธรของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายแจกความดีอันนี้แม้ตัวจะตายก็ตามทีมารดับที่ 4, สี่สินห้าพฤตการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทําลายสินที่แม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าสินขาย รายการที่ห้าที่องค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิยมหาราทรงแนะนําว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์การกระทําอย่างนี้เป็นปัจจัยที่พ้นจากโทษคือความทุกข์การบริจาคทรัพย์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรเป็นที่รักทังทั้งที่เราไม่ต้องการเห็นเขารักเขาก็รัก ไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขามอคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรักถ้าลงรักเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะจากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขยาคะาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่ง ที่ทําจิตใจชุ่มชื่นถ้าไม่มีความสุขเป็นการทําลายกิเลสตัวสําคัญคือโลภะสําหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทําลายกิเลสตัวสําคัญคือโทสะมมเพราะมีอารมณ์ไม่คงเพราะศีลต้องมีเมตตาปเป็นเบื้องหน้าคือเมตตากกรุณาทั้งสองรายการเป็นตัวนําถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการศีล ส, ส่งอยู่ไม่ได้ ถ้ามีเมตตากรุณาต้องสมใยการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไปเมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหาดกระหางใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอนุว่าจาะก็ดีสิงก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรให้เจริญในอนาในเทวตานุสติกรมฐาน ตอนนี้ต้องรักษามันโดยชี้เหมือนกันขึ้นชีอว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนชี้ อ, อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วจนตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะฆ่าตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงยังไงก็ไม่ยอมสบตากับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคม แล้วก็ทำตนเป็นคนที่ขาดหวัดวันต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวเขาจะทำอันตรายนี่ถ้ากำลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้งหกประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระวิษณมัยกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามี การที่จะมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีสงตรัสว่าพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริออสุทธิ์เพื่อที่ศีลศิกษาสําหรับพระนาคามีเป็นผู้มีจิตแต่ที่จิตต่ศึกษาคือทรงฐานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กําลังสูงกำแพงชาน เราต้องประหัตประหังการมราคะกรมฉันทะกับปีฆะคือความโกรธความเพยาบัตให้ที่นาาไปจัดจิตในตอนนี้ก็ขอบนอยู่แค่ประโสนดากับระสกิธาคามีถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัโยุต ว่าพระโสดาบันกับพระสกิธาคามีละสังโยชน์ได้สามนัม่นก็คือสกายาทิชิที่เจนณาทราบอยู่เส ม, มอว่าตาภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันกับสกิธาคามี มีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนักเป็นของเบาๆานั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสนดากาสกิธาคามีตัสกายทิธิเอกายสกายติธิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตาย ได้การตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนดึกแยกตายด้วยการปกติรแยะตายด้วยการอุบปติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุวาทท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างในข้อนี้สําหรับพระสดาบันี้ คือไม่เผลอจากความตายตัวอย่างที่พึงถือเอาไว้ง่ายก็ได้แก่เฟส ก, การีทิดาซึ่งเป็นลูกสาวคนนายช่างหกพระองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงประกอบกิจความดีไว้เสมอ นี่เธอคิดอย่างนี้เป็นปกติว่าถึงความตายแล้วต่อมาเธอก็เป็นประสดาบันเป็นอันว่าประสูดาบันตัดสกายาทิฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นไม่มีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนนานเชื่อองค์สาเร็จพระพิท ธ, ธมานในตอนนี้ และสัญญาอ้อข้อดีสองท่ากล่าวว่าพระโสดาบันไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคําสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนําให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสัญญาอ้อข้อดีสามองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธ นี่ถ้าจะกล่าวโดนสังโยชน์ทันสามรายการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธ์ต่อชีวิตและก็ท้าสมักปัญดาท่านพุทธศาสนิก ที่มีศรัทธาจริตทรงคุณธรรมทั้งหมดไการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นพระโสดาบันจะกล่าวว่าอย่างไรนี่ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวไว้แล้วเป็นสัญยอดีบึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันสรงอยู่มันก็คือหนึ่ง เขาเรียกกันว่าองค์เขามาโสนดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสองมีความเคารพในประธรรมส ม, มีความเคารพในประสง์รวมความมัธยรณะทาถสามประการนี้มีความมั่นคงจริงๆริ้วสี่มีศินห้าบริสุทธิ์ที่พระโสนดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สี่ประการ ถ้าเยกกล่าวกันไปทีก็ดูมันว่าหญา้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนักเป็นอนุว่าตามที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์ อันนี้จะพิจารณาได้จากพระโสดเช่นท่านสุ ป, ปะพุทธกุฏิที่ฟังเทศจ้าองสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปฏิผลเพราะใสยท่านเป็นคนจนเป็นขอทานเมื่อกิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มชื่นก่เกิดความเพิ่มปีติปรากฏล้นพล คิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นระโสดาบันรองคงจะดีใจมากในตอนเชา้าเตรตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีรพระภาคบาปราตรนาจะถาวายกราบทุนในทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นระโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอินทร์ก็มาทดลองสุภะพุทธผู้มีใจเป็นแก้ว ว่าสุปาพุทธเธอเป็นคนจนแล้วก็เป็นโลกเรื้อนเธอลุงกล่าววาจาอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายใจความเป็นโลกเรื้อนเรจะบันดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีวาจาให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ เราวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกราเล่นเล่นก็ได้ท่านสุปาพุทธชี้หน้าพระอินหาว่าพระอินถอยท่านมาหาว่าเราเป็นคนยาก จ, จนเข็นใจเราจนก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเป็นการจนโลภิยาทร์สำหรับอริยทรัพย์เขเรามีมากมายให้กล่าวว่าเจตวาจาเชนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คน นี่จะเห็นว่ากระแสวัฒธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพุทธสุภัรงรับรองว่าคนที่เป็นบลโซนดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของประโซนถ้าจิตตั้งตรงลงเฉพาะในสินห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพร ว่าสำหรับท่านผู้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมดปฏิบัติตามคติที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในพระกรรมฐานในหกอย่างเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ไข้ขวนไม่ใช่เป็นนั่งภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆสีโลจาโคเทวโตเจเ ท, ว ต, ทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้น ให้รมคิดให้รมจับเขาถึงจุดจริงตัวถ้าบรรดาท่านพทธบริษัใชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆริงได้ความทรงตัวท่านเป็นประสงดาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัตว์ไม่ใช่อาตมาพยากรแล้วสำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวาย เวลานี้มองโลนิกาคิว่เทศจะหมดแล้วก็ขอยุติว่าจะเปี่ยนตรงนี้